บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในธรรมน า, านุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการแสดงสรุปรวมกุศลลธรรมอกุศลและธรร ม, ลรรมและปะยากตะตธรรมมาเป็นเครื่องมือในการศึกษา ประพฤปฏิบัติเพื่อขัดเกลารจิตใจของตนบรรเทาความรู้สึกที่รุนแรงสองกระแสที่ทรงใช้คำว่าอภิชาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้อันเป็นอาการของกิเลสประเภทโลภะที่มีความรุนแรงจนเกิดความมุ่งมาตรปรารถนาที่จะได้จะมีจะเป็น ในสิ่งที่เป็นจิทธิของบุคคลอื่นซึ่งลักษณะความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้เมื่อเราคุมไว้ไม่จุกก็ออกจะออกมาในรูปของการรักการขโมยการช่อชนมีประการต่างๆอันเป็นอาการของทุจริตทางกายบ้างทางวาจาบัางถ้าว่าถึงช่วงนั้นก็เป็นการผิดศีลไปแล้ว ปิดกฎหมายไปแล้วแต่การควบคุมระดับจิตใจนั้นต้องการลดละบันเทาความรู้สึกส่วนนี้แม้บางครั้งจะเกิดขึ้นก็ให้คุมไว้ได้อย่าให้ถึงกับเป็นมโนทุจริตอันแสดงถึงปริมาณของความคิดที่กอบด้วยกิเลสมีความรุนแรงก่อให้เกิดความเราร้อนขึ้นภายในใจ การพยายามปฏิบัตินั้นก็ลดละลงไปจนอยู่ในจุดที่เรียกว่าสงบนิวรเพราะนคนจะเห็นได้ว่าระดับนิวรณที่เรียกว่ากามัม่ันระดับของอาคศลลรมูลประเภทมนุษย์ทุจริต ท, ที่เรียกว่าอภิชาวิสมรุปะคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้ของบุคคลอื่น ระดับของมจีทุจริตเช่นการหลอกลวงการปลอมแปลงระดับของกายทุจริศเป็นการลักขโมยช่อชนต่างๆนั้นที่จริงแล้วเป็นกระแสของกิเลสเป็นอาการของกิเลสที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันตอนนั้นเองโดยการเหล่านี้ก็อาจจะรุนแรงเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นการกระทําร่วมกันหลายหลายคนมีผลใหความเดือดร้อนกระจายออกไปแต่รอถึงกลา ย, ลายเป็นสงครามไปต้นืางกระแสกิเลสที่ไหลไปก็คล้ายๆลกับกระแสน้ําที่เริ่มไหลจะเริ่มต้นก็ไม่มากนะักแต่เมื่อมีน้ําเราอื่นมาสมทบปริมาณน้ําก็จะเพิ่มขึ้น ความรุนแรงการไหลหรือการทำลายการฉาบล่างก็จะมากยิ่งขึ้นเพราะในการปฏิบัติระดับของกรรมฐ า, านจึงมุ่งสงบเสียตั้งแต่ภายในมายความมาสงบความคิดระดับพิวรณ์เอาไว้กระบวนการของกิเลสทั้งหลายก็ยุติไปทั้งหมดอย่างน้อยก็ในช่วงที่เราสามารถสงบความรู้สึกเหล่านั้นได้ อีกสายหนึ่งที่ทรงใช้คำว่าโทมนัสโทมนัสนั้นเป็นอาการของกลิบประเภทโทสะอาการอย่างหนึ่งเป็นอาการเสียใจครับแค้นใจที่ไม่ได้ไรตามที่ตนต้องการจะได้จะมีจะเป็นอีกลักษณะอย่างหนึ่งเป็นความไม่พอใจความรุนแรง จนถึงเป็นความโกรธในที่นี้จึงเน้นไปที่กิเลสประเภทโทสะแต่ก็พร้อมที่จะเป็นโศกหรือความคับแค้นใจและเกิดขึ้นจากการกำหนดอารมณ์เช่นเดียวกันแต่เป็นการมองในแนวที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาเรีวยกว่าเป็นการมองด้วยความชัง ในระดับนิวรท่านก็เรียกว่าพยาบาทเป็นการเก็บความคิดที่เราไม่พอใจไว้ในอดีตแม้แต่ในปัจจุบันนำมาเนียวนึกนำมาสึกนึกก็จะเพิ่มความร้ร้อนขึ้นไปโดยลำดับถึงจุดหนึ่งก็อาจจะออกมาในรูปของมนุษ์ทุจริตที่เรียกว่าพยาบาทเหมือนกันแต่ความเข้มข้นรุนแรงมากกว่าเดิม แล้วถ้าคุมไว้ในจุดนี้ไม่ได้ก็จะออกมาทางวาจาเป็นคดาด่าว่าคาสบประมาทดูหมิน่นหรือการทุโยงให้เกิดความแตกแยกแต่ถ้าคุมไว้ในจุดนั้นยังไม่ได้ปริมาณความพยาบาทรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็อาจจะออกมาในรูปของการฆ่าการล้างผลาญการประทุร้ยต่อร่ารงกายหรือแม้แต่ต่อทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะแรงขึ้นไปกว่านั้นที่นั่นเรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมเป็นการฆ่ามารดาฆ่าบิดาส่วนหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากกิเลสประเภทโทสะหรือเป็นอาการของกิเลสประเภทโทสะเพราะนั้นเราจึงเห็นกระแสของกิเลสที่มีความเข้มข้ น, นเพิ่มขึ้นโดยลำดำับปริมาณของกิเลสก็เพิ่มขึ้น ความรุนแรงที่สืบเนื่องจากกิเลสก็จะเพิ่มมากยิงขึ้นเราันจุดประสงค์ในการปฏิบัติก็คือมุ่งที่จะปรรเทาอ่สรงชายคำว่าเข้าัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกไปแต่ว่าการเกิดของกิเลสนอกจากเชื้อที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลทั้งหลายแล้ว ปะเด็นสำคัญอยู่ที่อารมณ์ซึ่งมากระแทกจากข้างนอกถึงมีอยู่เป็นจํานวนมากที่กระแทกแล้วเราก็ทนทานได้ในช่วงนั้นกิเลสก็ไม่ผุ่ขึ้นหรือไม่เพิ่มขึ้นแต่อารมณ์เราเลือกให้อยู่ระดับใดระดับหนึ่งไม่ได้มันเป็นเรื่องของอารมณ์การปรับจึงมาปรับที่ภายในใจเราให้มีภูมิต้านทานต่ออารมณ์เหล่านั้น ว่าจะหนักจะเบา อ, อย่างไรก็ตามแต่ว่าการจะต้านทานได้นี่บางครั้งก็ส่งสอนให้เห็นในรูปของอุปมาก็เหมือนก็เสาขนาดใหญ่ที่บุคคลปักลงไปในดินเราจะพบว่าถ้าในตอนแรกๆเสาที่ยังไม่ยังรากยังไม่ลึกลงไปคือปักได้ไม่ลึกไปไม่ไม่แน่นพอมันก็สามารถที่จะโยกได้ แต่พ่อปากให้แข็งแรงแล้วไม่มีใครสามารถที่จะโยกครอนได้จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นการปรับปรุงให้เกิดความเข้มแข็งเป็นเรื่องค่อยๆปรับเป็นเรื่องความเพียรพยายามที่สรงใช้คำว่าสาตจา ก, กริยตาคือมีความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องไปได้บางมากบางน้อยบาง ก็ต้องพยายามกระทำเอาเพราะในแนวของธรรมานุปัสสนาสถิตรฐานอยจางที่เ ร, รเคยกล่าวไว้สองชุดใหญ่ๆก็คือชุดที่เกี่ยวกับขันในขันนั้นก็ทรงสอนให้มองขันเป็นการมองเพียงสามตอนคือมองขันที่ปรากฏต่อความรู้สึกนึกคิดของเราในขณะนั้น ความใส่ใจสนใจขอเราในขนาดนั้นเช่นสมมติว่าจะมองรูปก็รู้ว่านี้คือรูปนี่คือความเกิดขึ้นของรูปนี่คือความดับของรูปแต่โดยพื้นจิตที่กรอบด้วยจิเลสจิตจะปฏิเสธการดับของรูปคือไม่ยอมรับการดับของรูป จึงีมีวิธีการอย่างหนึ่งที่ทรงสอนให้มีเจริญมโนสติโดยบุคคลพยายามตั้งสติระลึกถึงความตายคือยอมรับความดับของรูปนั่นเองแต่ธรรมะทาไมคนจึงไม่ค่อยยอมรับความดับของรูปแต่ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งยวพบว่ามันไม่ถึงก็ไม่ยอมรับเพียงแต่ไม่ยอมรับ การดับของรูปที่เรารักใคร่ปรารถนาพอใจแต่สำหรับรูปที่เราไม่ชอบเราก็อยากให้ดับไม่ต้องการให้ดับแต่การทั้งสองนั้นที่จริงแล้วก็เป็นอาการของตัณหาการไม่อยากให้รูปที่เราใคร่เราปรารถนาเราพอใจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ชอบก็เป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากการมาตัณหาภวะตัณหา แต่การในต้องการให้รูปบางรูปดับโดยเฉพาะรูปที่เราไม่ชอบก็แสดงว่าเป็นอาการของวิภาวะตัณหาติแด้ถ า, ถามไปอีกชั้นหนึ่งว่าทำไมจึงคิดอย่างนั้นเก็ตอบว่าเกิดขึ้นมาจากความคิดที่ท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิและเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ค่อนข้างแรงแความเป็นรากฐานที่ให้เกิด กิเลสประเภทต่างๆขึ้นมาพิจารณาติฏฐิประเภทหนึ่งเรียกว่าสัสติฏฐิคือการมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันแม้เราจะยอมรับแต่ลึกๆจริงๆก็ไม่ยอมรับเป็นการยอมรับในแนวที่เกิดขึ้นกับคนอื่น คนนี้เพิ่สังเกตว่าเวลาความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเกิดขึ้นที่คนแก่สิ่งของแก่สัตว์ที่เขารักในการร้องขมร้องไห้แสดงความทุกข์ทรมานภายในใจเราสามารถบอกกล่าวชี้แจงให้เหตุผลแก่บุคคลเหล่านั้นได้ลปลุกปลอบกันได้ชี้แจงกันได้ก็สแสดงว่าจิตใจจริงๆก็ยอมรับอยู่ได้ระดับหนึ่ง แต่พอสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเกิดตัวเราการพลราดพลาดสูญเสียคนที่เรารักสิ่งของที่เรารักเกิดแปรผันไปเกิดเปลี่ยนแปลงไปการร้องไห้เสียใจการคร่ำครวญการแสดงทุกเวทนาต่างๆนั้นแสดงว่าใจจริงๆลึกๆแล้วเราก็ไม่ยอมรับให้เกิดความเปลี่ยนแปลง จนบางครั้งเราบางคราวก็มีคำอุทานที่ประปนมาสืบเนื่องจากการร้องไห้เช่นไม่ยอมเป็นไปไม่ได้ตายไม่ได้ก็แสดงว่าเราก็จะพยายามแข็งขืนคือใจเป็นไม่ยอมรับการแตกดับการทำลายของคนของสัตว์ของสิ่งที่เรารักนั่นเองเพราะลึกๆก็อยู่ที่ว่าเราคิดว่ามันเที่ยง เราหวังใจให้มันทียงมันมั่นคงมันถาวรแต่ไปตั้งความหวังเฉพาะกลุ่มเดียวคือกลุ่มที่เราชอบเท่านั้นกลุ่มที่เราไม่ชอบก็เกิดขึ้นมาอีกจากสายหนึ่งที่เราเรียกว่าอุเฉียตทิทิิคือความเห็นด้วยความต้องการที่จะให้สิ่งเ่านั้นแตกทำลายไปสูญหายไปพว น, นี้ประสาทขึ้นมาจากใจพก็กลายเป็นรูปของวิภวตถาาน เป็นการปฏิเสธผลักไสสิ่งที่ตนไม่ชอบต้องการให้เกิดความพิบัติสูญเสียแตกทําลายล่มตายของสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าในอาการหล่นนั้นเองความสูญเสียแตกทําลายล่มตายการทัดพรากความเสื่อมเป็นต้นที่เราต้องการให้เกิดขึ้นแก่คนแก่ศักดิ์ที่เราไม่ชอบ แต่สำหรับคนสัตว์ที่เรารักเราชอบเราไม่ต้องการให้เกิดเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงกลายเป็นจุดที่มีความขัดแย้งกันอยู่ภายในใจของคนคือสรุปวทั้งสองฝ่ายปฏิเสธเหตุปัจจัยของสัตว์สังขารทั้งนนในฝ่ายแรกนั้นปฏิเสธสังคตลักษณะที่ตกอยู่ในกฎของปัจจัยหลักซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเอง เป็นธรมดาของขนันของธาตุของอายาตนะทั้งหลายสึ่งเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ต้องเป็นก็เขา อ, อ, อย่างนั้นแต่พอเราเกาะยึดด้วยอำนาจของความใครเรากรับไม่ยอมคือปฏิเสธกฎของอนิจจตาเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราไม่ชอบซึ่งก็อยู่ในกฎของอนิจจตาคือความไม่เชื่ยงเหมือนกัน แต่การจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแตกดับอะไรอย่างไรเมื่ อ, อไหร่นั้นเป็นเรื่องของเขาเราก็ใจไปบวกเขาคือต้องการให้เกิดการแตกดับทําลายรุนแรงในเวลาที่รวดเร็วคือที่เราต้องการถึงจะเห็นได้ว่าอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจากโอเจตฤติชีมีวิชาคือความรู้ไม่จริงแล้วก็เป็นอาการของโทสะ พอถึงจุดหนึ่งยังไม่สมใจยังไม่สาแก่ใจที่เราต้องการให้แตกดับรวดเร็วแต่มันไม่ยอมแตกดับก็มีการประทุสลายมีการทำลายมีขาตกรรมต่างๆเกิดขึ้นดในจุดนี้เองถ้าเรามองขันทาตเหล่านั้นว่าเขาก็ต้องแตกดับอยู่แล้วให้เขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขา จุดประสงค์ของเราที่ต้องการใหเขาแตกตัดต้องการเขาตาย ก, ก็ก็ต้องตายอยู่แล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปทําอะไรเพราะอธรรมชาติเขเป็นอย่างนั้นเองด้วยความคิดเพียงจุดนี้เท่านั้นก็หยุดตัวเองไว้ได้แม้ไปเศร้าโศกเสียใจเมื่อมีการพลัดพรากสูญเสียการแตกทําลายของคนสัตว์สิ่งของที่เรารักและไม่ไปใช้ความพยายามทําลายล้างสิ่งที่เราเกลียด ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวปฏิเสธแนวแรกคือแนวที่เกิดความเศร้าโศกเสีสยใจเมื่อสังขารเหล่านั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิแตกดับไปแล้วเราก็เศร้าโศกนั้นก็เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้เกิตนเพราะอาการเหล่านั้นเป็นอาการของความทุกข์ด้วยการไปใช้ความพยายามทําลายล้างคนสัตว์สิ่งของที่เราไม่ชอบเพื่อให้แตกทําลาย ซึ่งที่จริงแล้วก็เขาต้งแตกทํำลายอยู่แล้วแต่เราก็ไปใช้อารมณ์ของเราไปฆ่าไปพิสูจนรายไปทํำลายก็เป็นการเพิ่มสมุทัยสัตว์หรือเพิ่มกิเลส ข, ขึ้นภายในตัวเองซึ่งก็หมายความว่าความทุกข์ของบุคคลนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเพรดังนั้นในเรื่องเหล่านี้ก็ทรงแสดงกระบวนการของความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกระทําบาปไว้ในระดับต่างๆทั้งในขณะนั้นๆและขณะต่อมาตลอดถึงทุกข์ใน อบายและทุกข์ในสังสารวัฏอาการทั้งหมดนี้ถ้าเราสืบลึกออกไปอีกจุดหนึ่งเราจะพบว่ามันเกิดจากสักกายะคือความเป็นตัวพื่ง่ายว่าความเป็นเราความรู้สึกว่าเราเป็นเราจากความรู้สึกเป็นเรานั่นเองปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นซึ่งก้อนนี้เราสามารถจะไปในที่ใดที่หนึ่ง แต่ว่าเราไม่ไปมีความรู้สึกร่วมในจุดนั้นอะไรก็เป็นเรื่องของสิ่งนั้นไปที่จะเราจะไม่แปรผันไปตามความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านั้นครนี้พิ่งดูตัวอย่างเช่นว่าการดูหนังดูละครดูการแสดงถ้าเราจะมองในแง่ของศิลปะการแสดงก็จะรู้สึก พอใจชื่นชมเวลาเขาแสดงดีแล้วพอเขาแสดงไม่ดีเรารู้สึกเสียดายจะแสดงว่าความรักความชังเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงแต่ถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปร่วมไปเชียร์พระเอกนางเอกเรียกเป็นแฟนของพระเอกคนไนกั น, น, นางเอก แล้วเอาตัวเองก็ไปผสมเต็มที่จิตใจก็จะแปรผันไปตามบทบาทที่มีการแสดงตัวละครโศกก็สศกด้วยตัวละครโกรธก็โกรธ ด, ด้วยตัวละครทะเลาะเราก็ทะเลาะด้วยนั่นแสดงว่าบรรยากาศเหล่านั้นที่จริงแล้วเขาก็แสดงของเขาแต่พอดีใจเราผู้ไปดูการแสดงก็กระโจนเข้าไปร่วมแสดงกับเขา ประตูเหุการเหล่านั้นพลักสายเสกสายให้หมุนไปตามบทบาทที่มีการแสดงซึ่งแน่นอนในแง่ของการดูการแสดง้ากกระทำใจเขาร่วมด้วยอย่างนั้นก็เรียกว่าสนุกไปกับการแสดงแต่ถ้าเรามองในแง่ของธรรมะปฏิบัติเราจะเพิ่มว่าเป็นการเพิ่มกิเลส กิเที่ยังไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามบทบาทที่เราไปยึดถือจากการแสดงของผู้แสดงในขณะนั้นนั่นเพราะในจุดนี้เองเรนก็สื่อไปได้อีกทีหนึ่งว่ากิจกรรมในลักษณะนั้นเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลที่มีท่านผู้หนึ่งเป็นนักแสดง ด้การแนะนำสั่งสอนว่านักแสดงทั้งหลายนั้นเมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุกติเพราะว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นได้ให้ความบันเทิงแก่ชาวโลกเขาไว้ท่านผู้นี้ก็หมกเฝ้าพระพุทธเจ้ามากราบทูล ถ, ถามถึงความเชื่อถือของพวกเขาที่มีการประพฤติปฏิบัติกันมาจากนั้นพระเจ้ากระรับสั่งว่าอย่าถามตาตาโคตรเลยเกลไม่ต้องการจะตอบ เขาพยายามอ้อนวอนถึงสามครั้งเขาให้ตอบพระเจ้าก็รับสั่งในแง่ของความจริงความในความเชื่อถือที่อบรมสั่งสอนกันมานั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องปราะแท้ที่จริงการสแสดงนั้นเป็นการกระตุ้นกิเลสให้เกิดขึ้นภายในใจของผู้สแสดงซึ่งหมายความว่ากิเลสภายในใจเราก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วย ทำไมเพิ่มก็แสดงอากาศเหล่านั้นไม่ได้คือการแสดงที่สมจริงยังไม่ได้เพ็นการกระทำเช่นนี้ก็เป็นการกระทำที่เป็นบาปแทนที่จะเป็นบุญดังนั้นเราจึงพบว่าศีลข้อนักจากยีตั้เป็นการเป็นบทบัญญัติห้ามระดับศีลนุบุตร บทบรรยทธามระดับสีนแปดคือหมายความตั้งแต่ศีนแปดขึ้นไปนั้นเป็นบทบัรยทธามเอาไว้จะไม่ต้องการให้คนไปเพิ่มกินเหล็กโดยไม่มีความจําเป็นนั่นเองกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานั้นเพื่อ้นได้สืบเนื่องมาจากความรู้สึกเป็นสักกายคือความรู้สึกเป็นเราทําให้เราได้ยินได้ฟังคําบางคําที่ส่งแสดงคือ ใ, ใช้คําเป็นคําเดียว ว่าหางการมาบังการหางการก็คือเป็นเราที่จริงก็คืออาหางการอาศัยความเป็นเรานั้นเองก็ก่อให้เกิดความเป็นของเราหมายความว่ามีเราแล้วก็มีความเป็นของเราคราวนี้ลองดูสังเกตว่าเช่นเราจะทำอะไรเราจะเป็นอะไรพอเราได้เป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งรัามันจะต้องแสวงหาสิ่งมาประกอบความเป็นของเรา เราต้องได้สิ่งเหล่านั้นมามีการควนควายสแสวงหากันด้วยประการต่างๆถ้าถามว่าตอนเราไม่เป็นเน่ยสิ่งนั้นจําเป็นต้องมีไหมก็ไม่จําเป็นต้องมีแต่เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นตรงนี้แล้วการเป็นตรงนี้จําเป็นจะต้องมีสิ่งนี้นการมีสิ่งนี้บางทีก็มีเท่าที่จําเป็น แต่เพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของความโลภเป็นต้นที่บังเกิดขึ้นมันก็ต้องการความเป็นสิ่งที่เป็นของเราเพิ่มพูดมา ก, กิ่งขึ้นในจุดนี้ถ้าตัดความเป็นเราออกไปหรือตัดตัวตนออกไปหรือตัดของอตัดความเป็นเราออกไปปัญหต่างๆก็จะลดลงไปถึงแม้จะไปดูไปในสถานที่ใดที่หนึ่ง คือเรามีความรู้สึกว่าเราก็คือเหมือนกับเขาทุกๆคนเราจะไม่เดือดร้อนไม่อึดอัดไม่วุ่นวายจะนั่งตรงไหนก็ได้จะกินยังไงก็ได้ใครจะพูดยังไงก็เราก็ได้แต่ถ้าเราเอาอัตราใหญ่ๆเข้าไปคือรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างน้นเราจะเลือกตั้งแต่ว่าโผล่เข้าไปเนี่ยคนจะต้องต้อนรับละบางแห่งจะต้องเข้าแถวต้องโค้งคำนับ จะต้องไหวจะต้องมีคนออกมาต้อนรับจะต้องมีคนออกมารายงานจะต้องมีที่นั่งที่เหมาะสมสิ่งที่นามาต้อนรับนั้นจะต้องใส่ภาชนะที่ ด, ด, ดีอะไรสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างมันสืมเนื่องมาจากเรารู้สึกว่าเราเป็นและเราใหญ่สิ่งเหล่านั้นจึงจะเป็นต้องมีแต่ถ้าเราถือเป็นธรรมชาติธรรมดา ที่พระเจ้าทรงอุปมาบางจีนี้ทรงอุปมาเหมือนกับโคที่โคถึกทรงใช้คำว่าโคโคตัวผู้ที่ไม่มีเขาคือเขาบรรทัดละจะมีความสงบซึ้งเงียบเจียมตัวจะไม่ไปประท้ากับใครจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงกระคืนไปยุ่งวุ่นวายตัวเองก็จะมีปัญหา าลักษณะเหล่านี้ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งของธรรมะที่เรียกว่าอาจตนาประคือหมวดที่ว่าด้วยอาจตนาเป็นการสั่งสอนในบุคคลรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่การวิเคราะห์ตรวจสอบนั้นก็มาดูที่ใจเราพอดูใจนั้นจะเกิดกิเลส ข, ขึ้นหรือไม่ กิเลส ช, ชุดนี้ทั้งชุดจะเป็นกิเลสที่เราเรียกว่าเป็นสังโชติเมล่อการดูใจให้เห็นถ้ากิเลสมันเกิดก็หาทางแก้ให้กิเลสไม่เกิดคือธรรมะมันก็เกิดได้เพระาะว่าธรรมะเองก็อาศัยสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเช่นเดียวกันธรรมะเกิดก็ประคับประคองไว้ แล้วแนวาการปฏิบัติทั้งหมดไม่ว่าจะเริ่มจากอะไรก็ตามนั้นเป็นปริยายของธรรมที่มุ่งนำจิตใจของบุคคลเข้าสู่ความสงบระงับความรู้ริงความรู้ดีความดับส่วนจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเป็นเรื่องของบุคคลเแน่้น ปะะัญญาความธรรมเหล่านี้จึงเราเราจึงพบอารมณ์ของกรรมาฐานที่ปรากฏในสติปัฏฐานมาสติปัฏฐานนถึง21อ็ดารมณ์ที่จริงอาจจะพูดว่า21หมวดเลยทั้งไปเพราะในรมบางอารมณ์นั้นก็มีทั้งหลายเรื่องการเลือกศึกษาการเลือกประพฤติปฏิบัติเพื่อสอดครองกับพื้นฐานจริตอัตยาศัยของเรา เป็นความจําเป็นสำหรับรผลผู้นั้นเพราะฉะนในเชิงปริยัติกับึงปฏิบัติจึงมีความแตกต่างกันในปริยัตินั้นจําเป็นจะต้องถ่ายทอดจําเป็นจะต้องชี้แจงแสดงทุกแง่ทุกมุมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แต่ในทางปฏิบัติแล้วเราก็เลือกเฉพาะที่เราจําเป็นต้องปฏิบัติหมายความธรรมะเหล่านั้นสอดคล้องกับพื้นฐานจริตรยาสายของเรา เราปฏิบัติธรรมข้อนี้แล้วพิจารน้มน้อมก็ห า, าความสงบได้ง่า ย, วยความสงบเพิ่มขึ้นในเวลารวดเร็วเราก็เลือกปฏิบัติข้อนั้นแต่ในส่วนประยัตคือการเรียนรู้ที่ศึกษามาก็ต้องศึกษาไว้ต้องเรียนรู้เอาไว้นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในประสาทธรรมของตนเอง จะเป็นการช่วยทํารงรักษาพระสัทธรรมเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจใจเราก็เป็นฐานเป็นที่รองรับเป็นที่เก็บพระสัทธรรมเหล่านั้นเอาไว้แล้วเมื่อไปเจอกับบุคคลเพื่อนฝูงที่สนิทสนมคุ้นเคยกันพอจะบอกกล่าวชี้แจงให้ได้แล้วก็นําเรื่องหล่นั้นไปบอกกล่าวชี้แจง ซึ่งอาจจะใช้ในส่วนที่ตนปฏิบัติอยู่แต่พอดีเมื่อพูดไปแล้วปรากฏว่าไม่ถูกกับจริตของคนนั้นเราก็เอาสิ่งที่เป็นประยัติทีงเราได้ศึกษาป่านั่นเองไปคิดชี้แจงแนะนำสั้งสอดให้เพื่อการศึกษาหรือการเรียนรู้ทางประสาท ส, สัมผัสนั้นพระอาจาร์เองท่านก็เรียน ที่ท่านเรียกว่าเป็นพันธาการิกะปริยัติคือท่านเรียนแบบรักษาพระัทธรรมเอาไว้เหมือนกับขุนครังที่มีหน้าที่รักษาทรัพย์ของแผ่นดินไว้แต่เป็นการรักษ า, าวไว้เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนภายในบ้านเมืองดังนั้นมันปริยัติกว่ากันไป่างนี้เรื่อยๆ ต้องศึกษาต้องติดตามต้องพินิจ์พิจ า, ารณาสามารถทรงจำไม่ได้ก็เป็นการดีแต่ปฏิบัติก็คงต้องเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับจริตปัธยาศใสของตนผลประโยชน์ที่พึงได้ก็คือการทำรงรักษาพระสัธรรมเอาไว้พลจากการปฏิบัติก็จะเกิดเป็นความสงบอย่างน้อยก็สงบจากอารมณ์ทั้งสองประการที่กล่าวไว้ในตอนต้น คือพิชาและโภมนัดหมายความส ง, งบกิเลสกิเลสประเภทโลภะโทสะซึ่งถ้าหากว่ากิเลสประเภทนี้ลดลงความรู้สึกรักชังก็จะล ด, ดลงความรู้สึกอพอใจชอบใจก็จะล ด, ดลงการสัผัสอารมณ์ที่ต้องผ่านต้องสัมผัสก็จะมีสติปัญญาเข้ากับรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นและสามารถเลือกเฟ้นอารมณ์เหล่านั้น ที่เป็นประโยชน์เข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นการรับรู้ไว้ในฐานะที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อจะเป็นเครื่องมือในการตัดสินวินิจฉัยเทียบเคียงสงิ่งซึ่งเราจะต้องเจอในโอกาสต่างๆและแม้แต่การนาไปบอกกล่าวชี้แจงให้บุคคลอื่นได้รู้ได้เข้าใจการศึกษาการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นปัจจัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ช่วยการสร้างสารรค์พัฒนาจิตของบุคคลนั้นๆให้มีความสงบระงับมีความเยือกเย็นมีความประนีตขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติตอนนี้ไปก็พอให้ตั้งใจตั้งความสงบสืบต่อไป